ขอความสุขความเจริญจะ ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอการธรกสูตรที่พระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงแก่ท่านการทละปริพก์กรารธละกปริภาชกกับท่านเบสกะบุตรของนาย ขวานช้างคือคนฝึกช้างก็ได้พูดมาถึงสองประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือประรบถึงการฝึกปรือคนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พัฒนาการที่เกิดขึ้นใ่คนเหล่านั้นมีความเปลี่ยนแปลงโดยมองากภาพของพระสงค์ซึ่งนั่งอยู่ตรงนั้น และพระเจ้าก็ทรงแสดงคุณสมบัติของพระกลุ่มนั้นโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเป็นพระอระหันต์กลุ่มที่สองเป็นพระนาคามีลงมาสรุปรวมเป็นเสขะกับอาเสขะฝ่ายเสขะคือฝ่ายที่กำลังศึกษาอยู่นั้น ก็ได้ํำเนินชีวิตไปบนเส้นทางของสติปัฏฐานทั้งสี่คือใช้สติสัมป ญ, ญญาความเพียรพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมพยายามขาจัดสองสิ่งออกไปจากใจคืออภิชาและโทมนันั้นอภิชาก็คือกิเลสประเภทโลภกับประเภทกำหนัดรักใคร่ โทมนัสก็เป็นกิเลสประเภทโกรธก็เป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากความหลงแล้วก็ส่งขยายโดยลำดับเมื่อขจัดอภิชาโทมนัสออกไปได้เนี่ยความทุกข์ความโทมนัสความโศกความ ร, ำร่ำรวยรำพันต่างๆเนี่ยนั่นก็จะหายไป แต่จากการที่ทรงแสดงเนี่ยก็ทำให้ในายเปศสะอัตาจารย์ก็ได้กราบทูลสันเสริญพระพุทธเจ้าว่าในเรื่องที่อัศจรรย์ไม่เคยมีพระพุทธเจ้าคาสติปฐานทั้งสี่เนี่ยลงส่งบัญญัติไว้ดีแล้วเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย เบอกเอาล่วงความสุขความร่ไรร่ำพันความทุกข์ความเสียใจของกับแค้นใจอันนี้ก็หมายความว่าเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทีนี้ถามว่าความทุกข์มันพ้นไปจากอะไรก็พ้นไปจากจิตใจที่บริสุทธิ์นะซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าเรามองนะครเรามองแล้วก็สงเคราะห์เข้าในอริยสัจ เกิดเจนว่าความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นผลสติปัฏฐานสี่เป็นเหตุแต่ทีนี้ตัวความโศกความร่ำไรความทุกข์ความทมนัดมันเป็นทุกขสัตว์แล้วเมื่อปฏิบัติไปตามหลักของสติปัฏฐานสี่ พอท่านบรรลุญาณธรรมก็คือนิพพานนะในที่นี้ก็เน้นไปที่นิพพานมันก็เกิดเป็นความบริสุทธิ์แล้วก็บางทียายธรรมยายะปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆป ร, ระสังกคุณข้อที่สามนะฮะคือโดยเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์ท่านเน้นไปที่พระอนาคามี วัญหาจริงๆก็คืออยู่ที่พระนิพพานนั้นก็แสดงว่าที่นายเปตสะคอัฏฐาระอัฏฐาโ ร, ารหบุตรเนี่ยคือเป็นบุตรของนายัฏฐาจารย์เข้าใจแล้วก็รู้ซึ้งเนี่ยเห็นว่าพระเจ้าทรงแสดงหลักของอริยสัจทั้งสี่ประกา ร, รเพราะเราจะเห็นว่า พวกยาจะทำก็ดีพวกนิพานก็ดีก็เป็นนิโรธสัตว์สรุปแล้วว่าข้อความเพียงสองบรรทัดเท่านั้นเป็นกระบวนการเพิ่มขึ้นของฝ่ายมักและก็ข่ายนิโรธจะเป็นการลดลงไปการดับไปของฝ่ายทุกข์และก็ข่ายของสมุทยัยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยใจของบุคคลผู้นั้นก็บริสุทธ ถามว่าบริสุทธิ์จากอะไรก็บริสุทธิ์จากกิเลสบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากพวกสมุทยัยและท่านก็เน้นว่าผู้ชาบ้านคือกระหันที่นุ่งขาวองมขาวที่ยังมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานสี่เหล่านี้อยู่ตามการที่สมควรคือข้อนี้เป็นเป็นที่น่าสังเกต ว่าสังคมของคนอินเดียถ้าเราเดินไปนะฮะคือคือเราเดินไปในกลุ่มคนในท้องตลาดเปอร์เซนต์ของคนที่แต่งชุดขาวนี่จะเยอะก็แสดงว่าคือหาดตนุ่งขาวห่มขาวนี่มันเป็นวัฒนธรรมแล้วเป็นประเพณีที่สืบถอกันมาตั้งแต่โน้นนะ่ยสองพันกว่าปีแล้วแต่เขาบอกว่าแถวลังกาก็เยอะแต่ยังไม่เคยไปนะฮะ แถวทาลังการก็เยอะแต่งชุดขาวของเราเวลานี้ก็มีธรรมเนียมเวลาบวชเนคขมะบ้างก็เรียกว่าเนคขมะบ้างชีพราหมบ้างแล้วก็อะไรพรหมจารีพรหมจารีนีบ้างก็จะแต่งชุดขาวและเป็นการแสดงถึงการสะท้อนความสะอาดที่มีอยู่ภายในใจ ที่ถ้าก็เห็นว่าคือรหัสที่นุ่งขาวอมขาวเนี่ยก็ยังมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานสี่เหล่านี้อยู่ตามการคือไม่ได้หมายความว่าเรามีอย่างตลอดเวลาแต่ว่ามีอยู่ในการที่เหมาะ่อควรนะคือการเจริญกุศลเนะี่ยอย่าไปติดในรูปแบบมันเป็นเรื่องของจิตในแต่ละขณะ คิดในแต่ละขณะทำในแต่ละขณะพูดในแต่ละขณะแล้วถ้ามันมีความต่อเนื่องได้นานเท่าไหร่เนี่ ย, ยก็แสดงว่าเราอยู่ในกุศลตลอดการประมาณเท่านั้นทีนี้วันหนึ่งยี่ี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าจิตเราอยู่ด้วยกุศลกายก็ถูกกำกับด้วยกุศลวาจาก็ถูกกำกับด้วยกุศล มันเป็นอาการที่ต่อเนื่องเราก็กลายเป็นคนดีตามทุกขควรแก่ฐานะนั้นๆแก่การนั้นๆแก่โอกาสนั้นๆัทีนี้ถ้ามันเพิ่มเวลาขึ้นไปเรื่อยๆก็แสดงโอกาสของความชั่วนี่จะน้อยลงโอกาสของความทุกรุกน้อยลงโอกาสของความดีก็จะเพิ่มขึ้นโอกาสของความสุข ก, ก็จะเพิ่มขึ้น ความเป็นคนดีของเราก็ต่อเนื่องแล้วก็กลายเป็นข้ามภพข้ามชาติไปได้เป็นเรื่องจะต้องพยายามกระทำพระนัน์ก็ขอก็ขอก ร, ราบคูลพระบรมโองพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสติมีสัมญจญัะ ก็พยายามกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้แล้วก็พิพจารณาเวทนาพิจารณาจิตไปพิจารณาธรรมเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นการขาจัดไปตามตามการไม่ค่อยไม่ไม่พูดถึงระดับที่เรียกว่าถาวรเพราะการขาจัดได้ถาวรเนี่ย คือไม่กำเริบเขาเรียกว่าไม่กำเริบในแต่ละจุดเนี่ยก็ตั้งแต่ปัศสนบันขึ้นไปทาไมกำเริบตลอดทุกเรื่องก็ต้องเป็นพระอระหรันต์ปัญหาใหญ่ปัญหาสำคัญของเราเนี่ยคือปัญหาว่าสถานะของเราในเราคงไปไม่ถึงขนาดนั้นก่อนแต่ว่าพยายามทำเท่าที่ทำได้ พยายามกำจัดอภิชาและโทมนัตโดยการคือตัวการสำคัญเนี่ยสติสัมเนธญาความเพียรเนี่ยจะเป็นหลักมันเป็นภูมิคุ้มกันจิตประจับตราบได้ที่จิตมีสติสัมเนธญาความเพียรกำกับอยู่เนี่ยอกุศลอย่างอื่นที่ ท, ที่ที่พูดเนี่ยอภิชาโทมนัตความโศกความร่ำไรรจะจรัยความทุกข์กายความสมัยไม่สบายใจต่า ง, งๆมันก็แทรกเข้ามาไม่ได้แร้ว มันก็เหมือนปัญหาสังคมในปัจจุบันคือที่เราประรบวิตกกังวลกันในปัจจุบันคือมาเองจังมองว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมันไม่เป็นเรื่องเช่นว่าเราเอาเรื่องเด็กเป็ปัญหาเรื่องความประพฤติของเด็กขึ้นมาวิพากวิจารกัน เด็กก็คือเด็กอแล้วถ้าเราลองหลับตาทบทวนดูนะฮะทบทวนดูตัวเราแต่ละคนเนะี่ยอย่าหลอกตัวเองอย่าปกป้องตัวเองอย่าเห็นแก่ตัวเองว่าความปกป้องผิดพลาดหลังนั้นนะ่ที่เด็กแกทำเนี่ยสมัยเราเป็นเด็กอายุขนาดนั้นเราเคยทำไหมบางอย่างเราก็เคยทำมานะฮะแต่เราลืมไปเฉย เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการความเป็นเด็กความไม่ประสีภาษาอะไ ร, ต, ะรต่างๆนี่มันมันมีเยอะพราเด็กก็คือเด็กเราพูดมันก็ไม่ได้กเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาคือถ้าเอาไปประจานออกอากาศหรือนําไปอภิปรายแต่เด็กแกก็ไม่มีโอกาสพูดไม่มีโอกาสชี้แจงไม่มีโอกาสอธิบายแล้วคนต้กับเด็กเหล่านั้นก็ลูกหลานเราไง ก็ถามว่าเป็นความผิดพลาดบุกคลองของใครล่ะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบแต่สรุปว่าถ้าเรายอมรับถึงบุธิภาวะของคนเนี่ยเราก็สร้างภูมิต้านฐานภายในใจถ้ามีความเข้มแข็งมันก็โรคภัยแค่เจ็บแต่เรคงป้องกันอะไรไม่ได้แล้วนะป้องกันไม่ให้มีโรคไม่ได้ร โ, กกโรคกับโรคเนี่ยมั น, ม, นมันหลีกันไม่ได้ แต่ว่าทำทำยังไงว่าเรามีภูมิต้านทานโรคเราก็อยู่ในโลกแต่เราก็ไม่ภูมิต้านทานโรคเอาไปได้โรค ก, ก็อยู่ส่วนโรคเราก็อยู่ส่วนเราโรคเปน็นนันมากก็แทรกซึมเข้าไปสู่ร่างกายเราไม่ได้พราบรรดากิเลสบรรดาอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเราไปแก้ข้างนอกไม่ได้ แต่ยังไงก็แก้ไม่ได้รัฐบาลมีอำนาจเด็ดขาดยังไงก็แก้ไม่ได้เพราะเราอยู่ร่วมกับคนเลวนะคนที่เห็นแก่ตัวแต่ว่าคนเหล่านั้นที่จริงก็คือพี่น้องเราอีกอะเราไม่รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็การที่จะอยู่รอดก็คือว่าพยายามสร้างภูมิทันทานฐานตัวเอง วันแนวที่ท่านเปตสะหัตถาจารหัตถาจาระบุตเนี่ยคือลูกของนายขวัญช้างก็เรียกชื่อนันชื่อชื่ อ, อยากหน่อยแต่เรียกว่าเปตสะหัตถารูหะบุตคือเป็นบุตรของนายัถาจารแต่ชิดยิ่ยจะชื่อเปตสะนะครับหรือท่านก็พยายามที่จะเจริญกรรมฐาน ใช้การครองชีวิตด้วยสติสัญญ า, ยาความเพียรเอาสามข้อนี้นะจับให้ได้อยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสัมชัญญาอยู่ด้วยความเพียรความเพียรในการอะไรความเพียรในการเพิ่มขึ้นของสติสัมจัญญาแล้วการทำปฏิกิริยาต่ออารมณ์ที่มากระทบนั้นเป็นงานระลึกรู้วินิจฉัยตัดสินของสติสัมจัญญา ความเพียรก็เป็นพลังสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดเป็นความแข็งแข็งขึ้นไปในจิตใจก็สามารถที่จะเป็นภูมิคุ้มกันจิตใจของตัวเองไว้ได้พระท่า น, นยึงบอกว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสติมีสัมจัญยกะกัมปจัตอภิชาและโทมนัตในโลกเสียได้ พิจารณาเห็นเวทนาพิจารณาเห็นจิตนะพิจารณาเห็นธรรมก็เหมือนกันแล้วก็มากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าไม่เคยมีพระพุทธเจ้าข้าเพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคชื่อว่าย่อมทรงทราบประโยชน์ได้ไม่ใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นความรู้สึก เป็นเรื่องที่ท่านสัมผัสคือภาษาที่พูด้วยจิตสัมผัสเนี่ยคือบางทีเป็นความจริงที่คนอื่นเขาเ้ามองไม่เห็ น, นคล้ายๆกับภาษาทางกวีกวีเขาได้กินตก่กวีปฏิพานกวีนะฮะพสุตตะกวีคือแต่ละเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าคนไม่ได้สัมผัสก็มองไม่เห็น แต่ถ้าคนสัมผัสแล้วเขาเห็นบางทีเราก็สื่อสารโดยกันไม่ได้เพราะว่าคนหนึ่งไม่ได้สัมผัสไม่มีสัมผัสตรงคนหนึ่งมีสัมผัสตรงท่านเป็นศาสตร์ท่านมีสัมผัสตรงในความรู้สึกของท่านก็กลายเป็นเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงประโยชน์อันมีลักษณะเกือกูแลแล้วหน่วยความสุขให้นั้น เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อโลกแสดงเห็นอะไรอะแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายปัญหานี้เป็นปัญหาทางจริยศาสตร์เป็นปัญหาทางจริยธรรมนะฮะแต่ว่าภาษาทางปรัชญาเขาเรียกว่าปัญหาทางจริยศาสตร์การพยายามทําความเข้าใจวิเคราะห์ศึกษากันอะไรดีอะไรชั่วอะไร ความเสื่อมอะไรความเจริญอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรควรทาอะไรไม่ควรทาอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมอัเนี่ยคือเป็นปัญหาทางจริยธรรมก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้เหตุของความเสื่อมและก็เหตุของความเจริญทีนี้ไม่ใช่รู้เฉพาะจุดทรงรู้ถึง ตัวปัญหาตัวสาเหตุของปัญหาตัวความดับปัญหาแล้วก็หลักการวิธีการในการที่จะดับปัญหาเหล่านั้นก็ส่งจําแนกแสดงเอาไว้หรือท่านมองจากจุดที่ท่านสัมผัสท่านเห็นคือใครปฏิเสธไม่ได้ที่นการเห็นก็เหมือนกันคือว่าคือบางทีในเราเห็นเท่าที่เราเห็น แล้วก็อาจจะผีพรามตัดสินเอาว่าตรงนี้มันที่สุดละจบละซึ่งแนวความคิดเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่มันมีในกลุ่มคนทั้งหลายนะเช่อนอเล็กซานเดอร์ตอนบุกมาทางเอเชียเนี่ยพอมาถึงเห็นมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกก็ไม่เห็นโลกอะแกก็นึนกว่าหมดโลกละ ก็ร้องให้เสียใจว่าไม่มีโลกจะยึดครองอีกต่อไปแล้วนั่นเป็นการตัดสินด้วยความจำกัดของความรู้ในด้านของภูมิศาสตร์โลกความคิดความเห็นของคนเราก็มีลักษณะอย่างนั้นบางครั้งเราตัดสินเอาจากการการเก่าเมื่อเวลาคันนะมันหายคัน แล้วเราก็นึกว่าการแก้ไม่ให้คันเนี่ยก็คือการเกาตอนนั้นเองตอนไม่คันก็แล้วไปประคันแล้วก็เกาก็หายคันเพราะว่าคันอีกก็เกาอีกก็ก็อยู่โดยวิธีกเกาคันๆอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ตัดสินว่ามันเป็นสุขแล้วความคิดทางศาสนาเองหรือพูดอีกแง่หนึ่าสัมผัสตรงทางศาสนาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นก็ ในวันที่อะไรวันที่เก้าเนี่ยนะก็พวกเครือของอะไรสิปุตุลาเขานิบบนไปอภิปรายในประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้นทางภาคใต้เราจะเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ที่จริงเป็นปัญหาธรรมชาตินะฮะหรือถ้าเราคิดว่าเป็นธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติ แล้วถ้ามนุษย์เข้าใจเรื่องธรรมชาติเนี่ยเข้าใจวิธีคิดคือบางทีเราคิดจากอดีตเราคิดจากอดีตแต่เรานำอดีตมาทะเลาะกันแต่บางทีนเราคิดจากอดีตแต่เรานำอดีตมาประสานประโยชน์กันเป็นเราจะเห็นว่าความคิดในแนวการเกิดของโลกการเกิดของสิ่งมีชีวิตในศาสนาต่าง คือถ้าเราคิดด้เห็นว่าเราเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันก็คิดได้นะฮะศาสนากลุ่มของศาสนาอยูาย่าดศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเนี่ยก็แสดงว่าสรรพชีวิตเนี่ยมาจากพระผู้เป็นเจ้าอาดามกับอีบรอเรียกชื่ออย่างอื่นโดยภาษาที่มันแตกต่างกันเป็นบรรพบุรุษมนุษย์ ก็แสดงว่าที่เราอ้างสายเลือดอ้างเผ่าพันธุ์อ้างเชื้อสายมันก็ไม่จริงอ่ะแต่ทีนี้ถ้าตรงนี้จริงก็แสดงว่าตรงโน้นไม่จริงถ้าตรงโน้นจริงตรงนี้ที่เราอ้างก็ไม่จริงแต่ทีนี้ถ้าถ้าจะให้เชื่อถ้าเชื่อแล้วมันเกิดประโยชน์เนี่ยเราจะเห็นว่าเชื่อในแนวที่อดัมกับอีเป็นบรรพบุรุษมนุษย์เนี่ยดีกว่าเพราะมันสร้างเอกภาพ โรกทั้งผองเป็นพี่น้องกันมีบรนพรุดร่วมกันจบไม่ต้องทะเลาะกันเรื่แนวคิดแบบพรามซึ่งเป็นเทวนยมเหมือนกันก็หมายความว่าสรรพชีวิตนี่มาจากพระพรหมหรือประสิวะหรือพร ะ, ะ, รพระนารายก็ช่างกันนะก็แล้วแต่จะคิดก็กลายเป็นสีเอากานุภาพของคริสนะกลายเป็นตรีมูรติของพราม จ ะ, สะแสดงว่าโลกทั้งผองพี่น้องกันทีนี้ถ้าไปคิดแบบปุทธตามแนวอคันเยสูดว่าบรรพบุรุษมนุษย์นั้นเป็นอาภัสสรพรมที่มาจากพรห ม, มโลกแล้วก็มากินงวดินแล้วก็กลายเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ก็แสแดงว่าเราก็สายเลือดเดียวกันก็พวกเดียวกันเอาเลยไม่คิดจากชานดาวิน นะซึ่งถือว่าเป็นทฤษฎีวัตราการมนุษย์มาจากลิงอะไรก็ว่ากันไปคิดอย่างนั้นสมมุติจริงหรือไม่จริงในที่จริงไม่สําคัญเราตามพิสูจน์ไม่ได้แล้วแต่คิดแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเอกภาพมันมีเอกภาพภาษาไปลึกจริงๆเนี่ยมีหนึ่งเดียวมันไม่ได้มีสองสองนั้นเราคิดเอาเองสองกิเลสมันสองนั้นเราคิด แต่ทีนี้ถ้าเราคิดไม่เป็นเนี่ยมันก็กลายเป็นความแตกแยกกลายเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาสมมุติว่าเราจะเอาเป็นอะไรล่ะเชื้อสายเผ่าพันธ์เชื้อสายพวกมอญพวกลาวพวกขมเขมรพวกมามาลายูอะไรแต่อะไ ร, อ, ะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มก็ตีกันตายเลยคิดอย่างงั้นก็ยุ่งตายเลยคือพอย่อยเนี่ยย่อยได้ไม่มีที่สุด จะถามมันได้ประโยชน์อะไรเพราะย่อเมามันได้ประโยชน์อะไรเกิดศึกสือเนื้อใต้ขึ้นมาต่างคนต่างก็ไม่รับผิดชอบกันมันไม่ได้เกิดประโยชน์ตอนวิธีคิดตั้งคิดใหได้ประโยชน์ระดับศีลธรรมจัร ญ, ญาเนี่ยมันก็คิดอย่างเงี้ยคิดพยายามจากความแตกต่างเนี่ยมาบริหารไม่เกิดความแตกแยก มันหนึ่งไม่ได้ก็อย่าให้มากพอคิดมากแล้วก็ยุ่งทีนี้การการที่จะคิดไม่ยุ่งนะเราก็อาจจะเอาศูนย์หลักๆเอาดินแดนเอาดินน้ำลมไฟอากาศนะเอาสถาบันประมากษัตย์เอาความเป็นชาติอะไรต่างๆเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็สร้างเอกภาพได้ มนุษย์เราเนี่ยมันก็อยู่ที่ความคิดเน่ยคำถามสุดท้ายก็คือคุณคิดยังไงอ่ะเลคิดแล้วได้ประโยชน์อะไรบางอย่างคิดแล้วไม่ได้ประโยชน์คิดไปทำอะไรเพน้นคิดแล้วต้องเกิดประโยชน์พันอย่างที่ท่านเป็นสักกาท่านคิดเนี่ยะเอียดนต้องเกิดประโยชน์พระพุทธเจ้านั้นทรงทราบประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ ตอนบางครั้งที่พระพุทธเจ้ารับสั่งรับสั่งพัฒนาการทางความคิดของมนุษย์เนี่ยพอเาสุดท้ายว่าประโยชน์พึงเกิดขึ้นในที่ใดใดโดยวิธีใดใดให้ใช้ความพยาพยามคิดพยายามทำพยายามพูดโดยวิธีดั้นนั้นในที่นั้นๆในกรณีนั้นๆไม่ต้องไปยึดติดในรูปแบบ ไปมองอที่เป้าคือตัวผลประโยชน์ที่จะได้ตัวเนี้เป็นหลักการต้งขันแต่เราจะเห็นว่าพอเอามาตัวเนี้เข้ามาจับเข้ามาเทียบกับความเป็นพุทธรู้คิดแตกต่างรู้คิดแตกต่างแตกต่างจะรุงรังเลยแทนที่จะไปมีศูนย์อยู่ที่พระพุทธเจ้าก็ไม่เอา ที่ประธรรมก็ไม่เอาคือเอาก็จริงเนี่ยเราไม่เข้าใจแม้แต่ประธรรมอคุณนะพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็เวลามีการประชุมชาวพุทธอะไรเนะี่ยก็เรียกว่าเกือบจะร้อยทั้งร้อยนะทุกคราวที่มีการพูดประชุมสัมนาที่ไหนก็ตามพระเนรจะถูกด่าหล่นมากพระน ะ, ะเนรไม่ค่อยถูกด่าเท่าไหร่ เองยังเป็นเด็กก็จะด่าพระนั่นก็เป็นเกิดประโยชน์เลยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะด่าแล้วเนี่ยมันมันคล้ายๆกับเราชี้นิ้วไปหาคนอื่นเนี่ยไอ้สีนิ้วเนี่ยมันมันชี้กลับมาเราเพราะอะไรเพราะพระนั้นเป็นผิดผลของสังคมเป็นลูกหลานของโยมนะฮะพระไม่ใช่เป็นลูกของพระพระเองนะฮะก็เป็นลูกหลานของโยม ก็เป็นผิดผลของสังคมพะะนันธุรกิดได้เป็นหนึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันเป็นคนไทยด้วยกันเป็นอะไรด้วยกันเนี่ยนะมันจะเกิดประโยชน์ประคิดแบ่งแยกมันไม่เกิดประโยชน์เพราะงั้นประโยชน์ตัวเนี้ยมันก็อยู่ที่เกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลดูผลก็ ม, มีความสุขหรือไม่มีความสุขเพราะในการตั้งสติระลึกรู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรม ในแต่ละระดับนะฮะก็คงไม่ใช่ระดับสมบูรณ์บทที่ท่านเปตส่า พ, พูดเนี่ยไม่ได้พูดระดับสมบูรณ์แต่พูดระดับคืหัสผู้ครองเรือนที่ท่านใช้คำว่าเป็นคืหัสลุ่งผ้าขาวคือบางทีเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นอาคาริกะวินยัยนะวินัยของผู้ครองเรือนแล้วก็บอกว่า สะท้อนภาพของมนุษย์นะสะท้อนภาพของมนุษย์ก็ทำให้เห็นว่าเออคนเนี่ยมันก็คือคนนะคนเมื่อท่านพูดกรรพบสมัยพุทธกาลเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนะั้นแล้วมันมีนะมีอยู่ทุกรูปแบบที่สมัยก่อนท่านมีและอาจจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นไนสั้นไป ท่านบอกว่าในเมื่อมนุษย์รกชัดเป็นไปอย่างนี้คำรกชัดเนี่ยที่เป็นเหตุให้เกิดคำพีประกรณ์พิเศษที่ชื่อวิสุทธิมรักเนี่ยมันมาจากปัญหาเรื่องรกชัดเทวดามากราบทูลถามพระพุทธเจ้า อันโตชาตาบะตาชาตายะปชะติตาประชาต่างๆโคตมะมปพุชามิโกอิมังวิชะตะเยชตังบุคโลกเนี่ยมันรกชัดมันรกทั้งภายในมันรกทั้งภายนอกใครจะสามารถสางรกชัดนี้ออกไปได้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงคุณธรรมสรุปแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาว่าใครก็ตามที่ดำเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะสางรกชัดเหล่านี้ได้ นะมนุษย์ที่ท่านเปิสะท่านพูดเนี่ยคืออย่าลืมว่าท่านสะท้อนจากสภาพแวดล้อมภายในสังคมที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ด้วยคนหนึ่งนีท่านบอกว่าในเมื่อมนุษย์รกชัดเป็นไปอย่างนี้ในเมื่อมนุษย์เด่นกากเป็นไปอย่างนี้ในเมื่อมนุษย์โอ้อวดเป็นไปอย่างนี้<ะ>ก็สิ่งที่รกชัดคือมนุษย์เนี่ย สิ่งที่ตื่นเนี่ยคือสัตว์อันนี้ใช้ท่านใช้ประสบการณ์ใช้ประสบะการณ์ในฐานะที่เป็นผู้ฝึกช้างเป็นผู้ฝึกช้างแล้วท่านเอาเอาคนกัตสัย์ที่ท่านต้องเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเทียบเคียงแล้วก็มาสานะท้อนเราเห็นเป็นรูปธรรมเราจะเห็นว่ า, าคนโอ้วดก็เยอะนะ คนที่เป็นเป็นเดนเป็นกากที่ท่นานใช้คำว่าเดนกากนี่ก็เยอะรกชัดด้วยกิเลสตัณหามาณทิ่ฐิต่างๆนี่มันก็รกชัดทั้งนั้นน่ะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมายาวนานแล้วก็คงจะเป็นต่อไปด้วยท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ยคือเป็นสิ่งที่รกชัด คำมรกชัดในที่นี้คือเข้าใจยากมนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่คิดอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งแล้วก็ทำอย่างหนึ่งมนุษย์จึงกลายเป็นสัตว์โลกที่น่ากลัวเราเข้าใจเขายากเข้าใจเขายากพูดอย่างทาอย่างคิดอย่างน่าเฉยตเฉยเลยนะแต่สัตว์ดิรัจฉานเนี่ยมันตื้นคือมันง่ายมันเข้าใจง่าย แำนวาสุนักเนี่ยแกเดินกระดิกหางมาเนี่ยแกไม่กัดหรอกนะแต่ถ้าทางคำรามอะไรนิดหน่อยระวังหน่อยก็ได้แกคือโกรธก็คือโกรธรักก็คือรักวางใจก็คือวางใจแต่มนุษย์จะไม่แน่ยังที่เขาพูดว่ายางขาวขนเรียบร้อยดูดี ภายนอกหมดใสสีเปรียบไฟกินสัตว์เสพปรามีชีวิตเฉกเช่นชนชาติร้ายนอกนั้นนวลงามเขาจะยากเพราะท่านท่านก็เทียบเคียงให้วางว่าเวลาท่านท่านฝึกสัตว์เนี่ยก็สามารถสามารถจะให้ช้างที่ฝึกแล้วเนี่ยเล่นไปได้เล่นเล่นไปได้ทานั้นทํานี้ทํโน้นนะฮะ ช้างนั้นจัดทำนครจาปาให้เป็นที่ไปมาระว่างระว่างจะทำความโอ้อวดทำความโกงทำความคดทำความงอนั้นทั้งหมดให้ปรากฏชัดหมายความว่าช้างเนี่ยแกเป็นเป็นยังไงแกเป็นอย่างนั้นเลยแกแสดงตัวชัดเจนเพอชัดเจนมนก็ฝึกง่ายมันแก้ง่ายตรงไหนโกงตรงไหนคดตรงไหนงอนคล้ายๆกับไม้อะเราเห็นว่าไม้เนี่ยมันปรากฏชัด โคดก็โคดงอก็งอเป็นตาก็เป็นตาเป็นตุ่มก็เป็นตุ่มเดี๋ยวก็แก้ไขได้ง่ายแต่ว่าคนเนี่ยท่านบอกว่าส่วนมนุษย์คือธาตุคนใช้หรือกรรมกรของข้าพระพุทธเจ้าประพุทธโดยกายเป็นอย่างหนึ่งโดยวาจาเป็นอย่างหนึ่งและจิตของเขาก็เป็นอย่างหนึ่งอันนี้จะตีตุบอกว่าเป็นสัตว์โลกที่พิเศษ เขาจะยากที่สุดหมาสมุดสุดดึกล้นขนน า, นาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงอัดวัดว่ากำหนดจิตมนุษย์นั้นซ้ายยากแคอย่างถึงเป็นการยากที่จะเข้าใจมนุษย์ใคร ท, ที่ที่คิดว่าตัวเองเข้าใจมนุษย์เนี่ยไม่จริงรอ่ะเพราะตัวเราเองเรายังไม่เข้าใจ ไม่เชื่อใจคนอื่นได้ยังไงแต่ว่าเป็นภาษาเป็นโบหารที่เราใช้พูดกันถือถ้าพูดถึงธรรมชาติที่เป็นอง์รวมเนี่ยก็พูดได้แต่ว่าพอแยกเป็นปัจเจกะขึ้นมาเนี่ยแยกยากเพราะว่ามันมีความแตกต่างอยู่ในตัวคนแต่ละคน คนที่จะเข้าใจได้จริงๆก็คือต้องอาศัยเขาเรียกพุทธญาณหรือสัพพ น, นุตญาณแล้วก็กลาบทูลว่าน่าสจาันพระพุทธเจ้าไม่เคยมีพรูพุทธเจ้าเพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคชื่อว่าย่อมทรงทราบประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ ในเมื่อมนุษย์รกชัดในเมื่อมนุษย์เด่นกากในเมื่อมนุษย์โอ้อวดเป็นไปอย่างนี้ก็สิ่งที่รกชัดคือมนุษย์สิ่งที่ตื้นเนี่ยก็คือสัตว์สิ่งที่เข้าใจได้ง่ายเนี่ยก็คือสัตว์คนทำเห็นว่ า, าสัตว์มันมีขีดความสามารถขอนเขาจากัดแต่ก็ฝึกเนี่ยก็ฝึกไม่ยาก แต่มนุษย์เนี่ยฝึกได้ยากแต่ว่าในหมู่มนุษย์ถ้าใครคนใดคนหนึ่งเกิดฝึกได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นยอดคนคือยังมองถึงปัญหาของเยาวชนน่ะของเด็กๆ เ, เนี่ยว่าเด็กเราที่เก่งๆแบบนี้มันเยอะมากนะแต่เราไม่ค่อยสะท้อนเด็กที่เด่นๆ เ, เป็นอัจฉริยะมีผสว่วนเนี่เราไม่ค่อยสะท้อนออกมาไม่ค่อยสแสดง ความชื่นชมส่งเสริมสนับสนุนเธอออกมาแต่ว่าเราก็ไปจับประเด็นปลีกย่อยต่างๆเนี่ยมากระนำมานเชี่ยนนะพูดไงขาอมันเขี่ยนมันเคยอ่า น, น, เ, คานเคยอ่านการวิจารณ์วรรณคดีนานแล้วคือเขาเขาบอกว่ายาขอบเนี่ยเป็นคนที่เขียนหนังสือคือไม่เชี่ยนตัวละคร หมายความมาตัวละครของเขานี่จะจะเป็นยังไงก็ตามไม่ร้อยเปอดเทนตอ่ะแล้วก็มีคนเคยไปถามยาขอบว่าในผู้ชนะสิบทิศยาขอบชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดยาขอบตอบว่าชอบไขลูนะฮะซึ่งเป็นนายทหารฝ่ายพมา่าแล้วก็อยู่ในประเภทตัวโกงนะแต่มันก็มีส่วนดี มีส่วนดีไม่ไม่ใช่ว่าเลวร้อยเปอร์เซ็นตมนุษย์ที่ร้อยเปอร์เนเี่ยก็หายาก น, นะมันก็ํำนองใกลๆกับเทวทัตในภาพลักษณ์ของพุทธบริษัทเนี่เราถือว่าเทวทัตเนี่ยแรงที่สุดแต่ก็จริงเทวทัตก็มีจุดดีพออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเธอสำนึกก่อนที่จะตายตอนที่ถูกทอนีสูปเนี่ย จะยืนยันถึงพระไทยของพระพุทธเจ้าว่าเสมอกันไม่มีความรู้สึกแบ่งแยกไม่เป็นเราเป็นเขาไม่เป็นพวกเราพวกเขาแต่ทรงมีความกรุณาเสมอภาคในช้างธนบานคือช้างนาลาคิรีในนายขมังธนูซึ่งเทวทัตจ้างมาให้ฆ่าพระองค์แล้วก็ใน จนองคุริมาลซึ่งลายข่าพราะองค์ในปเทวัตซึ่งก่อกวนสารพัดแล้วก็รวมไ ป, ปหมดถึงพวกนางกินจะมานาวิกาพวกใครก็ตามที่เบียดเบียนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้ามีแต่กรุณาไม่ได้มีความคิดเป็นอื่นแม้แต่ตัวของกับพระราุณทึ่งเป็นพระโอรส ในสมัยที่ยังไม่ได้เสด็จออกผนวอนะครัู้จัมีประไทยเสมอกันหมดนั้นแสดงว่าในหมู่มนุษย์ต้องฝึกได้แล้วก็เยี่ยมนะนีฝึกได้ขึ้นมาสักคนหนึ่งนี่โลกจะได้คนพิเศษขึ้นมามาช่วยสังคมมาช่วยโลกเอาไว้เพราะฉนพะจะทอนตรงนี้มันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงว่า มนุษย์เราถ้าใช้สติสัมัญญาความเพียรและทำความเข้าใจกับตัวเองให้ชัดเจนในตัวเองซะก่อนถ้าชัดเจนในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยค่อนข้างจะลึกนะเป็นการเข้าใจในระดับที่ลึกเพราะเป็นระดับของสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาแต่อย่าลืมมาถ้าเราเข้าใจกายเวทนาจิตธรรมที่ รวมเข้าเป็นเราเนี่ยแล้วก็สมมติเนีฮยสมมติเข้าว่าเป็นเราทำาห้เราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจสรรพสัตว์สรรพสิ่งที่เราสร้างความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาอะไรกันรุงรังพันเตไปหมดเนี่ยมันก็จริงๆ ม, ม, ม, มันไม่มีอะไรมันก็สับแต่ว่ากายสัคเวทนาสักแต่วะจิตสักแต่วะธรรมมันไม่มีอะไรเป็นของเราจริง เราไม่ได้เป็นอะไรจริงเราก็ไม่มีอะไรที่เป็นของของเราจริงๆเป็นการครอบครองเพื่อพรากจากไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปทีนี้การการมองภาพมนุษย์เนี่ยโดยจะนว่ามนุษย์เนี่ยเขาจะยาก พระเจ้าก็ทรงสแสดงนะฮะจริงๆทรงสแสดงเรื่องนี้ว่าความสะอาดของมนุษย์เนี่ยจะรู้ได้จากการงานแล้วก็สีนี่จะรู้ได้โดยการอยู่ร่วมกันและจะต้องอยู่ร่วมกันนานๆแต่ว่าต้องสังเกตต้องพิจารณานะฮะจึงจะรู้ถ้าไม่สังเกตไม่พิจารณาไม่รู้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะมนุษย์เสแสร้งเป็น เสแส้งเก่งมีมายามีเจ้าเล่มีเสแส้งมีโอ้อวดมีแข่งดีนะพวกอุปกเล์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เดยเ อ, อยู่ภายในจิตของมนุษย์ทำให้มนุษย์ปรากฏอาการทางกายทางวจชาทางใจเนี่ยขัดแย้งกันแต่หลักของพุทธศาสนาพระเจ้าทรงแสดงจงแสดงไอเรื่อง พวกปล อ, อมๆทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องรูสีรูสีกินเหี้บบ้างเรื่องนกยางจำศีลบ้างเรื่องเสือจำศีลบ้างพวกหลอกลวงทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องแปลกที่ว่าสังคมจะอ่อนไหวไปกับเรื่องเหล่านั้นเพราะว่ามันเป็นกลุ่มผลประโยชน์คือเขาทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง แตคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับไพ่สามตัวหรือการเล่นอะไรอ่ะไพ่ไพ่บล็อกอะไรอ่ะก็เล่นคือลอกคนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่มาเป็นเด็กๆก็รู้ข่าวเรื่องอะไรแ้วทุกวันเราก็ยังรู้ข่าวมันก็คล้ายๆกับแมลงมากบินข้ากองไฟคือคนไม่ได้ฉุกคิดไม่ได้เฉลียวคิดพอทําให้โลภให้โกรธ แล้วก็งมงายทั้ทีหลงนั่นดีเลยเพราะนั้นไอ้ความก็จะยากของมนุษย์เนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยทำให้เขาไม่รู้จักตัวทำให้ไม่รู้จักตัวเองไม่ชัดเจนในตัวเองเพราะในกาวตกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยผู้เจ้าสอนในชัดจุดชัดเจนในตัวเองนะฮะเราจะเห็นว่าเราดูกายของเราดูเวทนาของเราดูจิตของเราดูธรรมะในตัวเรา ที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวตนก็เราเพื่อให้ชัดเจนในตัวเองก่อนแม้ศีลท่าเนี่ยให้ลองสังเกตว่าที่จริงก็คือชัดเจนในตัวเองและพอชัดเจนในตัวเองได้ก็ชัดเจนในโลกในสังคมได้เพราะแนวศี่ทาเป็นแนวทรงใช้คําบาลีว่าอัตตานังอุปมังกตาวาคือทําตนเป็นอุปมาเทียบเคียง ก็จานวนนี้ถ้าเราใช้สมบูก็คือรู้เขารู้เราถ้ารู้ทั้งเขาทั้งเราแล้วก็สบายนะฮะถ้ารู้เขาไม่รู้เรารู้เราไม่รู้เขาหรือไม่รู้ทั้งสองอย่างนี่แย่เลยเวลานี้ปัญหาใหญ่ว่าเรายังคงเกี่ยวข้องกับคนที่เข้าใจยากและเข้าใจได้ง่ายอยู่แต่นี้พวกเข้าใจได้ง่ายเองเนี่ยบังชีมันก็กลายเป็นเครื่องมือของพวกที่เข้าใจยาก อาจเห็นว่าก็เอาสู่สิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาประโยชน์นะเช่นว่าปวกสัตว์ที่เลี้ยงด้วยอสิ่งที่เป็นพิษอะไรตไร่้งหลายเป็นอะไรใ ส, ส่สีใสอะไรเข้าไปต่างๆที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยเพราะว่าโลกยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้ปนปัญหามันมาจากคนไม่ชัดเจนในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ แล้วก็ไปมองสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์มองสิ่งที่เป็นประโยชน์ว่าไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ตัดสินระยะสั้นๆปัญห า, าก็คงจะทับทวีขึ้นไปได้เร่ยๆต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมยังมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี